วิสาข์แต่เป็นคนที่เบตน่าเป็นคนไทยนะฮะเนคนที่เบตสดำรงพุทธศาสนาเป็นญาติของโอดลัยลามะอง์ปัจจุบันนี้พ่อของเขากับองไดลยลามะเป็นพี่น้องกัน ตะโกนแห่งศรัทธาพุทธศาสนาะในโลกมากที่สุดอันดับหนึ่งของโลกที่ที่เกี่ยวข้องกับระศาสนาะมากประเทศไทยเราอันดับที่สี่ ที่เบรดดับที่หนึ่งที่สองที่สามจะไม่ได้นี่เราจึงต้องปฏิบัติทํากันเบนเฉ็มไม่ตรงตั้งแผนที่ดีจะเดินทางเหมือนเกืบรถเก จะวิ่งรถไปทางใดทิศไหนตั้งเข็มทิศไว้ขึ้นเช่นทางไว้สองศหนึ่งจะกังขถึงกรุงเทพตั้งเข็มทิศเอาไว้แล้วมันก็ขึ้นหน้าจอคอมพิวเตอร์หน้ารถมันจะบอกเสมอที่เส้นสีเหลืองไว้ มันก็มีทางผ่านร้อยเช่นผ่านเช่นแล้วก็ยังมีผ่านได้แล้วก็จับสีเหลืองเอาไว้ขับรถตามเช่นสีเหลืองเอาไว้มันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทางไหนก็ตามสีเหลืองนั่นไปตอนต่อเห็นก็ใช้รถเดิน ร, รถวิ่งรถนั่งอยู่บนเครื่องบินเห็นเครื่องบิน ไปขึ้นเครื่องบินแถวเนปาลเอเนปานเอาให้นั่งกับคนขบับใกล้ๆแล้วก็มีความสูงความต่ำความเร็วมันบอกมันก็มีเส้นทางเดินเหมือนกันวิ่งเหมือนกัน เวลาบินอยู่บนท้องผ้าเครื่องบินบินผ่านกันอยู่ทั้งสูงทั้งต่ำรถก็เหมือนกันเดินเส้ทนทนไปถึงจุดหมายปลายทางเวลานี้เรามีทางสติปัฏฐานสี่เป็นทางหมายเลขหนึ่งแน่นอนอยู่แล้วอะไรอะไรก็สติสติสติไป มันจะทุกข์จะทุกข์จะรักจะชังจะเกิดอะไรขึ้นมีทางให้เราหลีกหลงไปก็อย่าหลงกลับเข้ามาอุปกรณ์การทำให้เกิดจติตมีไม่ใช่คอมพิวเตอร์เหมือนเครื่องบินของการเดินทางของรถยนต์มันอยู่ในเราเราแล้วบันทึกเอาไว้ให้มันติดอยู่ที่กายติดที่ใจของเรา ระหว่างความรู้เจริญตัวความเราเลือกได้มันไปไหนต้องกลับมาหาความรู้จรกตัวแม้มีทางหลยอย่างหลายทางที่ผ่านมาเราก็เห็นทางของเรามันก็มีอยู่แล้วเราก็เราก็เข้าเส้นทางให้ถูกอย่าหลงไปมันหลงไปในความคิด อะไรก็ตามกลับมามันหลงไปทางหูจะบกเรกี้ยงกายก็กลับมารูา้สึกตัวรู้สึกตัวไว้ให้มันจำนี้จานานแล้วก็เกิดความชํานาญได้ถ้าเราเดินทางตรงไหนมันทางของเรามันนักวิ่งรถโดยสารเส้นทางเขาใครเขาชํานาญในการวิ่งรถบนเส้นทางของ ทางมันก็บอกอทางโค้งทางชันทางลงเขาขึ้นเขาเหมือนลดขึ้นเขามาหาบ้านเราสุโกโตเนี่ยคนที่ไม่เป็นทางก็มีตวดติเหตุได้แต่คนที่มีเช่นเป็นเช่นทางเขาเขาก็ปลอดภยัยดูจักจังว่าแม่มีหลุมไม่บอ่อตรงไหนก็รู้ ก็ปลอดภัยเราก็มีเส้นทางของเราให้มันชํานานเขาไว้ประกอบเอาไว้ส ต, ติมันจะมีเพราะการประกอบโอเชี่ยท่องจำประกอบไปทําทเป็นจานานอันหลงง่ายที่จลู่คือแรกอาจจะง่ายที่จะหลงฝึกไปฝึกไปมันง่ายที่จะลูชํานาญลู่มาก จะลุกจะเดิจะหลัาจะนอนก็รู้จะพูดจะทาจะคิดก็รู้เอามาทางไหนได้ทั้งนั้นสากลเลิญเชน้ชนานี้จะนานแม่นยำชัดเจนทะลุทะลวงได้ไม่มีเลยขวงกันได้ปู่ขอแม่น้ำขวงกันไม่ได้ก็มีความรู้สึกตัวก็มีเมตตาคาุณามีความประดิดีเต็มไปหมดรวย เป็นแหล่งความรวยสติปัญฐานเนี่ยตลาดแห่งความรวยรวยศสียรวยทรรรวยบนรวยกุศลรวยคุณงามความดีไม่จนคนจนคือคนทุกข์คนกโกรธโลภหลงคือคนจนเราเป็นคนรวยรวยแบบนี้คนไหนที่มีปัญหา ก็กลัว ก, ก, ก็มีปัญหาเรื่องกายเรื่องใจข อ, อเป็นเพื่อนเราไม่อดไม่อยากในที่จะช่วยให้เกิดความสะดวกสบายในการทำความดีไม่ใช่ถ้าคนไหนมีความชคแล้วไม่ต้องมาหาเราก็ได้นอนอยู่บ้านก็ได้ แต่คนไหนมีปัญหาไม่มีปัญหาให้รู้จักรู้จักศึกษารู้จั ก, จากาศาสนารู้จั ก, จกมักรู้จักผลอย่าอยู่เฉยเฉยเวล า, าไม่รอคอยรอวันนี้เรามีชีวิตพรุ่งนี้ไม่แน่นอนมันเป็นเรื่องดีบดวด่วนสักหน่อยระหว่างความรู้ความหลงแต่ไม่รู้ก็เราโขกเป็นเพื่อนจะไม่ผ่าหลงทิศหลงทาง ปฏิบัติให้เป็นสถาบันมันเป็นสถาบันจริงๆกายของเราเป็นสถาบันใจของเราก็เป็นสถาบันถ้าไม่ความผิดความถูกความผิดอยู่ที่กายความผิดอยู่ที่ใจความถูกอยู่ที่ใจความถูกอยู่ที่กายมันจึงเป็นสถาบันได้เรามันทุก สาร บ, บันที่ไม่ทุกเหมือ น, นเกือบสาบันการศึกษาทางโลกได้คำตอบได้ความเฉลยสารกลทำงานได้ปฏิบัติหน้าที่ได้มีคคำตอบเป็นสากลอย่างนุ้นตาป่วยเป็นโรคมะเร็งก้อนเนื้อในตับอ่อนหมอ ก, ก, ก้อนเนื้อตับอ่อนไม่มียรักษาเลยหมอทางนี้ต่อไปก้อนเนื้อตับอ่อนมันไปจากก้อนเนื้อตัวเวลวําคอไปสู่ตับอ่อนถ้าอย่างนั้นก็รักษาได้ต้องให้เจอโมตัวใหม่เข้าไปโดยด่วนเพื่อสกัดก้อนเนื้อให้มัน ยุบลงอาวะเจ้าไปเฉดวิธีการรักษาอื่นใดทั้งสิ้นขอให้กีมโมตัวใหม่เข้าไปเลยนี่คือมันชัดเจนความโกรธความโลภความหลงมีสติเข้าไปจะมีจิเลสปันหาตานาโรย์ไปมีสติเข้าไปก็อาวเจ้าไปเฉดวิธีการรักษาอื่นใด <laughs> มันชัดเจนนะ ถ้าไปคิดน่ะเขว่ากับเราก็ว่ากับเราเราไม่ยอมเราไม่ยอ ม, มยิ่งกําเหลิบยิ่งพุกคลามเรามากโรคภัยไข้เจ็บเปิดขึ้นโรคแห่งความทุกข์โรคแห่งกิเลสตันหาลาคะไม่ชัดเจนไม่แม่นยำไม่รับผิดชอบความรัก กระชือกระายเหมือนพระอานุ์แต่งานใหม่ๆทูตเจ้าบอกเขาไปส่งบาทที่วัดเขตที่วัด ต, ตัวไปแล้วก็ถามแบบฉลาดอานุนเธอจะบวชนะบอาว่าครับ จะบวชทั้งๆนี้ไม่อยากคิดจะบวชแต่คำถามที่มันบังคับเชื่อฟังพี่ชายาบวชเราคิดถึงเมียแต่งงานกันยังไม่อยู่ด้วยกันเลยคิดพระเจ้ารู้ทำไมจะไม่รู้ก็ไปหาเที่ยวดูเมืองอะไรตอน เคยไปกีสถานน้องตาเคยไปเมืองดาราอะไรเคยไปอินเดียเมืองดาลราฮะกษัตริย์ในอินเดียสมัยก่อนต้องหาเอาเมียที่เมืองนี้เพราะเมืองสาวงามแถวแถวไปกีถานเนี่ยงามกวอินเดียเนอะน้องตาเคยไปไาจีถานเหมือนกันก็รู้จักคนนามเหมือนกันนะ อพระเจ้าพาานอนไปานอนกระจู้กใจเลยที่แรกก็รักแต่เมียคิดถึงแต่เมียวอไปเห็นสาวงามคนนั้นก็สวยคนนี้ก็สวยคนนั่นก็สวยความรักต้พื้นท่พืไปเลยลืมเมียไปเลยให้มาตัวเองดูเอ้ยไอ้บ้านะความรักเนี่ยเชื่อใจไม่ได้แล้วเบื่อหน่ายทีเดียวเพราะความรักมันมากเหลือเกิน แต่บางคนไม่รู้ตามความลางไปมีผัวเดียวเมียเดียวมาได้ร็จแล้วสายผัวหลายเมียไปเ พ, พือกเถือกไปบ้านนะกระชุยกระจายนันพระเจ้าจึงเป็นยอดนักลักที่สุดขอมีพวอคนเดียวมีลูกคนเดียวมีพัญญาเพียงคนเดียวลูกก็คือลางหุนคนเดียว ความพัญญาก็คือพิมพ์พาคนเดียวตลอดพบตลอดชาติลองรู้สิชีวิตของเรามันมันทำได้จริงๆมันหลงรู้เข้าไปเลยแหวกเข้าไปมันทุกรู้เข้าไปมันจะมีอะไรก็าตามให้รู้สึกตัวเข้าไปแล้วก็ไม่ได้หาความรู้สึกตัวแนวมันอยู่กับเราแล้ว เปลี่ยนเข้าไปเปลี่ยนเข้าไปแทรกเข้าไปมันต้องทําย่อมชันอ่ะทำเสมอไปความหลงไม่ถูกต้องความรู้สึกตัวถูกต้องความทุกข์ไม่ถูกต้องความรู้สึกตัวถูกต้องความโกรธไม่ถูกต้องความรู้สึกตัวถูกต้อ ง, อ, งอันเดียวเ ท, ท่านั้นจีโมโต้ไหม่คีดเข้าไปเลยหลังต่า แล้วอดมาได้เพราะเกี่โอเหอความูกอันเดียวที่เป็นสากลของโลกไม่มีอะไรโอสุดสัคตวาพุทระตะดังโอสัถังอุตมังวัลังเอาพุทธเจ้าเป็นเครื่องกับจัดทุกขนานนะเครื่องนะไม่ใช่รูปวัตถุนะ นี่คนเราค่าคือความรู้สึกตัวนะต่โมทุกขจักาขาตาจา่จ่ายวิขาดต่จ่ายต่ตาจาตมีพระธรรมเป็นเครื่องกจัดทุกข์พระสงฆ์เป็นเครื่องกจัดทุกข์มีเป็นคนธรรมที่เกิดเกิดพิตของเราเนี่ยสติสมจรรยาเป็นธรรมรวมรู้สึกที่มันรู้หลวงนี้ใช่อันนี้เรียกว่าพุทธะ ดูแล้วไม่หลงแล้วบางปฏิบัติลงไปปฏิบัติดีลงไปหรือว่าพระสงฆ์อยู่ในอาการเดียวกันอย่าไปเรียกร้องอะไร <c oughs> เราก็มีสมบัติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเป็นมากเป็นผลอยู่แล้วทำหน้าอยู่แล้ว ให่เรมันหลงเราก็มีความรู้อยู่ในความหลงนั้นอันอยู่คนละมุมมันมีคู่เหมือนพระสิทธะมองถึงความเป็นคู่มีเกิดต้องมีไม่เกิดมีแจ็ต้องมีไม่แจ็มีเจ็บต้องมีไม่เจ็บมีตายต้องมีไม่ตายแน่นอนมีร้อนมีหนาวมีมืดมีสว่าง อะไรต้องเป็นคู่อย่าจนมองมองว่าอย่างนี้ก็ได้เมเวลามันหลงต้องมีไม่หลงเวลามันโกรธต้องมีไม่โกรธเวลามันทุกข์ต้องมีไม่ทุกข์อย่าจนถ้าจนตรงนี้ไปไม่รอดนะคนเรามันมักจะจนเวลามันหลงก็หลง หาเรื่องที่หลงเลยไปไม่หลงก็หาวัตถุสิ่งของมาให้มันหลงนี่ก็คือไม่รู้จักช่วยตัวเองไม่ยกตัวขึ้น่ังนอกจามุดหลงไปอยู่ต้องรู้สึกตัวขณะที่มันหลงลองดูไม่ควาทุกรู้สึกตัวในขณะที่มันทุกข์ไม่ต้องทําอะไร เวลาทุกขึ้นมายกมือดูสิเวลามลัวขึ้นมายกมุกมือดูสิพลิกมือดูสิให้รู้สึกที่มือเนี่ยหลวงตาเคยกลัวสุดขีดแต่ไมบวชใหม่ใแต่ไม่เคยไม่ได้แบบกลัวที่จะอะไรมันหลอกตัวเองเคยพูดหลายครั้งแล้ว สิ้นสา่าก้เลยความปวเพราะมันเห็นชัดเจนให้บอกไว้ก <c oughs> ็ชอบไปอยู่ไกลๆหมู่นะพุทธยานมึงเลยเนี่ยไปสร้างกระท่อมอยู่ไกลๆเพื่อนคกนข้ากันตายเอามาฝังไม่ได้เผากับหมูเอาไปอยู่ไกลๆโน้น ไปฝังก็ไปฝังที่ไหนอ่ะไปฝังที่ใกล้กับตีเราอยู่เ้าก็ก็ไม่พูดไม่จ่ามีแต่เดินไปดูเขาเขากดหลุมเฉิดหีบศพมันแผ่นบางใจขนาดเนี้ยเราไปขอจากลุงเรื่อยอย่างดีลงเรื่อยให้มาตีแผ่น ไปดูแล้วกระต๊อบเจ้าอยู่เป็นภาคไม่ไผ่ถ้าได้กระดานสีแผ่นนี่ไปปูก็คงจะเต็มพอดีแล้วเด้ยไปขอเขาขอได้ไหมหีบศกเนี่ยโอ้ได้หลวงพ่อเจ้าไปทำไมเอาไว้ปูก็ตีนอนก็เขาก็แกะให้หลวงตา ก, ก็ไปช่วยเขาแกะก็เหม็นก็เหม็น น้ำเหลืองน้ำเหลองไหลออกเทลงเทศลงต่อหลวกตกอก่อหล่นล่ะกมนน่องแล้วก็ติดต่อิด่กินด้วยนะกินของคนตายเล่มันติดมาดมผ้ากีวนะอนนักติดเลยนะติดอยู่ทั้งวันเลยกินนะ่ะนะมันอุปท า, านเลยก็ไม่รู้อริจกเอา หีบศพลูกลากลงไปแช่น้ำไปที่วัดมีบ่อเขาขุดหินมันน้ำมันขังเอาไปแช่ไปเป็นเดือนนะแช่น้ำไปแล้วก็ซื้อแบงเหล็กมาอย่างดีเอาพรับเอาน้อมจอสักฟองถู เราก็มาชันตากแดดไว้จนแห้งมันก็ไปดมดูมันมีกลิ่นอยู่นะไอนน้บ้าเนี่ยคนคนเนี่ยมันอุปทันเอาาื่อปูมอปูฟูนอนต่อไปคิดหาก็มีกลิ่นขึ้นมาตีนี่ฝนมันตกมันก็ต่ำๆแปลเคลื่อนมันชื้นขึ้นมาดมดูก็มีกลิ่นจริงๆนะไม่ใช่คิดหานะ นอนก็หลับไปกับความเหม็นพอมีกลิ่นขึ้นมาก็คิดเห็นศพแล้วใช่ไหมติดต่อ <c oughs> ก็คิดเห็นศพเวลาเราไปเทศพออกจากหยิบศพทั้งเหม็นทั้งคิดเห็นเหรอหลับไปกับความคิดน่ะสังเกตดูนะแล้วหลับไปก็ไม่ค่อยมีสติอะไรก็ไม่รู้ ไปฝันว่าจบ้า้จกิ้งมาหาเราเราก็มีคาถาไล่ผีอยู่แล้วเอาว่าคาถาไปเคยหมอเป็นหมอไล่ผีมาก่อนแต่ว่ากังกลัวก้าแลาเอาคนไปป่าชาปไปฝังตอนค่ำตอนคืนนี่มกักจะได้พาเขาไปแต่ก้าๆกลัว แล้วก็เล่าคาถาศพกระิี้งนี้ไปตอเนเราหยุดเลก า, าสกระิี้งมาเอเล่าคาถาศพกระิ่งไปสู้กันไปสู้กันมาก็ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาก็กลัวแล้วว่าชี้เส้นศพลูกคืนนั่งยังเหม็นอยู่อ้าวมันพีโลกเลยมีจริงจริงหลอกีโลกเนี่ยเราจะไปไหนไหนเที่ยงคืนดึกดื่นแล้วอ้าวไป ไปบอกพระโอ้อยเขาจีให้ช่วยด้วยผีหลอกผีหลอกเราเป็นพระเราเป็นหมัวผีหลอกไปพูดแบบนี้ไม่ได้แต่ไปยังไงไม่ต้องไปหหรือมันอะไรกนันไรเกิดขึ้นเนะนี่นมัามะกรูดพิกายกมาเกินหายมาัดเป็นทีเลยโอ้ยบอาเอ้ย ผมคิดเราหลอกตักผมพลิกมือขึ้นยกมือขึ้นนะก็กลัวหายตั้งแต่บนนั่นมาตั้งแต่บนนั่นมาไม่เคยกลัวคำว่าผีแม่จะนอนอยู่หีบศพทั้งสองศพเคยไปนอนอยู่ช้ภูมิแนวไปปฏิบัติธรรมวัดเจ้าขันจังหวัดขนตกก็ แ, แลว้วก็กางโกดตามร่มไม้ มันเป็นป่าชา้าตอนตกมันก็ไม่เปียกหรอกแต่บนหน้ามันท่วมขึ้นท่วมขึ้นท่วมขึ้นเปียกก็เลยเห็นเขาเปิดไฟสว่างอยู่เปิดประตูไว้อยู่ลอยขึ้นไปขึ้นไปเป็นหีบศพสองศกเออตีแล้วนอนอยู่กลางเห็บศพไม่ได้กลัวเลยเลยสมายไปนอนกับคนเป็น นอนคนเป็นยังมีเสียงหายใจเสียงกระดกกระดิกนอนก็เหง่สบสายเลยแหน่ะไหมไมกลัวทาไมนะความกลัวเกิดจากความคิดเรตัหาเกิดจากความคิดตัวคิดเนี่ยมันลายนะอันตัวกายไม่เท่าไหร่หรอกมันร้อนมันหนาวของผ้าอันเหงื่กินข้าวสาะสาแห่งกาย อันหิวจินข้าวหายหิวมันหนาวห่วมผ้าหายหนาวนี่มีของเขา อ, อยู่แล้วเจ็บให้ได้ป่วยหาหมอรักษาหายก็หายฮัหกหาไม่หายก็ตายอันใจเนี้ใครจะช่วยเราไม่ได้หอูก็ช่วยเราไม่ได้ต้องช่วยตัวเองนี่เรามุดหลงให้รู้ว่าหาความหลงคือ ไม่มีศาสนาเวลามันทุกข์ใจไม่มีศาสนาเวลามันโกรธใจไม่มีศาสนาไม่มีที่พึ่งปล่อยชุกปล่อยโกรธปล่อยห้หลงมันมีเวลามันหลงรู้เนี่ยให้รู้จักตัวเนี่ยมันหายได้หายจริงเวลามันโกรธรู้จักตัวเข้าไปให้รู้จักตัวเข้าไป อย่าไปคิดเรืนั้นอย่าไปคิดเรื่องนั้ น, น, นให้รู้สึกตัวก็ป้่อยกลับมานี่ก่อนกับมานนี้ก่อนให้มันมีพลังให้มันจานี้จานานเหมือนเราทํางานทําการถ้ามันจานานมันก็ง่ายง่ยถ้าเราทําไม่เป็นก็ยากหน่อย หาได้มาจำนานง่ายที่จะรู้รู้เป็นเจ้าว้านเจ้าหลือนรู้เป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของจิตใจเนี่เสือดาเสือดายดิดหน่อยความทุกข์ควาโกรธความโลภความหลงกูจากใจอารมณ์เชียงแต่คิดเฉยเฉยก็ทุกข์แล้ว เรื่องจะคิเฉยก็โกรธถึงจะเขยิบจิตไม่ได้นอนมันหลับไปเสียแล้วเสียดายตรงนี้มากไม่มากไม่มากฆ่ากันตายเพราะความคิดเที่ยงกันตลอะว่ า, ากันเพราะความคิดเจเฉยอารมณ์ไม่ใช่จิตจิตนั้นไม่เป็นอะไรแต่อารมณ์มันมาย้อม ให้นอนไม่ได้ให้เจมไม่ได้เป็นอารมณ์ไม่ใช่จิตเด้ายอารมณ์มาเป็นจิตเราก็รู้แล้วตั้งแต่เบื้องต้นจิตสบาจิตไม่ใช่จตุคุลตัวตนหลกเขานอนจะหลุดไปซะแน่ยังไม่รู้ก็เอาไปก่อนถ้าวาเจ้าพาคุยทาให้แล้วมีความเห็นไปก่อน จิตสบาจิตไม่ใช่สัตว์ปุกลตัวตนเราเขาก็ห่มไว้ในใจให้มันอ่ร้วยก่อนเราทำคณิตศาสตร์ต้องสูตรได้เราก็ทำให้เป็นดอกสองหนึ่งเป็นสองสองสองเป็นสี่สองสองเป็นหกสองสี่เป็นแปด สองห้าเป็นสิบตอไปก่อนปากมันเคยว่าไปาทำลงไปสองห้าเป็นแปดสองห้าเป็นสิบสองสองห้าเป็นหกบางทีทำไม่เป็นนะแล้วก็ตอไม่ถูกสองห้าต้องเป็นสิบ ง้มันถูกมันเป็นห้าเป็นหกเป็นสิบสองสิบเอดไได้ระหว่ า, างความรู้ความหลงเนี่ยเหมือนกันระหว่ า, างความหลงไม่ความรู้ไม่จะเอาความหลงเป็นความถูกต้องไม่ได้แะหว่ า, างมันโกรธกับความรู้สตัวจะเอาความโกรธเป็นความถูกต้องไม่ได้เด็ดขาดทำลงแล้วทำใหม่ไม่ํานานนะทำไปทำมวก็ชัดเจนมากขึ้นชัดเจนไม่ขึ้นง่ายๆ เป็นคิแนนสอ์คิดในใจก็ได้ทุกรวา น, นี่มีไหมเลขคิดในใจมีไหมไม่ใช่ข้อเขียนนะอ๋อนักเรียนต่อไปนี้เลขคิตศาสอ์คิดในใจสองนาทีเกตตัวกับแปดได้เท่าไหร่ ไรตกลงภายในยสองนาทีแต่เมื่อก่อนก็มีอย่างนี้นะเอ้ ย, ยยกมือขึ้นยกมือขึ้นนะแปบ๊บเดี๋ยวยมันจำนานใช่ไหมหลังเ้ินไม่ได้ตลอดเลยคิดไม่เป็นตำก็ไม่เป็นสติที่เราสร้างนี่ก็เหมือนกันํำนานเป็นศินลปะศิลปะนะ ไม่ใช่เป็นวัฏธรรมนะชำนานที่สุดแล้วว่าเรียกว่ า, วาปะปิญญาการทึกษาเรื่องใดที่จบบ า, าโจที่นั่งจบปัญญาชำนานการชำนานในธรรมะก็มีปะปิญญายาตะปัญญากำหนดดุเรการโล ตีลักษณะปริญญากําหนดรู้โดยการแกะแงกย่อยออกปะหานะปริญากําหนดรู้โยการละทําให้หมดไปแล้วมันหลงกําหนดรู้โดยความรู้รู้แลวว้วอันนี้คือหลงตีคักณะปริญญาไม่ถูกต้องต่าหากนปัป็นอย่างทำกลมหลงให้หมดปล่อยแป๊ะ เ, เดียวนะนัดเนี่ยวมือ คมทุกหมดไปความโกรธหมดไปความโลภความหลงหมดไปมันเอาไม่ได้มันไม่ถูกต้องควมทุกไม่ถูกต้องท้อไม่จึงไปเปลี่ยนซะไม่โกรธก็ได้ไม่โกรธก็ได้คนก็บอกอยู่แต่เราไม่ยอมจึงหัดให้มันเป็นไม่ใช่ให้รู้ หัดให้เป็นแล้ยังมีความหลงอยู่ยังนอนฝันลายต้องหัดแล้วแล้ยังหมกบุนคุณคิดพุ่งซ่านต้องหัดแล้วแล้วยังความล้ายความดีอยู่อย่าไว้ใจมีใจก็พึ่งใจไม่ได้อย่าไว้ใจมันมีใจต้องพึ่งใจได้เอาไว้ตรงนี้ อยู่ตรงนี้หลวงตาหลวงตาไม่รู้จะพูดคำไหนโดยมีคำพูดว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรได้ยินไหม <c oughs> ไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยใครจะพูดต่อไปอ ก, ก็ได้มันก็มีเท่านี้แล้วจะพูดต่อไปก็ว่าเป็นเช่นนั่นเอง ไหู้่พวกคำไหนนะไม่เป็นอะไรก็บอะไรมันร้อนก็เห็นมันร้อนไม่เป็นผู้ร้อนมันโกรธเห็นมันโกรธไม่เป็นผูกโกรธมันทุกข์เห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์ถ้ามันมีนะถ้ามันไม่มีก็แล้วแล้วแล้วแล้วไม่เป็นอะไรกับป็นอไรเมื่อไม่เป็นอะไรกับอะไรมันเรื่องอะไรมันก็เหนือก่อนเกิดเจ็บเจ็บต่ออยู่ตรงนั้นแล้ว มันยากไหนเนี่ยฮะต้องเอาเงินเอาทองไปซื้อไปหามาหลานตาไปสอนธรรมะที่ประเทศจีนที่กล้ามาพูดธรรมะที่ญาติโยมชาวจีนได้นิมนต์มาที่จะให้พูดคําไหนมันไม่คุ้มค่าเท่ากับเงินตายญาติพี่น้องชาวพุทธชาวจีนที่นิมนต์มา จึงขอพูดคําสุดท้ายสรุปใส่กระเป๋าให้ทุกคนก็เลยพูดเขานี่ว่าไม่พูดเอาพับแต่กระเป๋านะไม่เป็นไรก็บันหลาไม่เป็นไรก็บันลายก็ปิดกันเลิกหลากันไปเดี๋ยพับใส่กระเป๋าให้ทุกท่านที่นั่งอยู่นี่เพื่อไม่เสียเปรียบคนกีนเนาะ ก็พาคอยเจอเวลาก็พาพ่องกัน